ทำไมเราจึงไม่สนใจพระในตัวเราเพราะเรื่องอะไรก็เพราะเรื่องเราไม่สนใจเรื่องชีวิตนี้เองความเป็นพระแบบนี้ไม่ต้องมีเครื่องหมายไม่ต้องมีเครื่องหมายเลยนี่เรียกว่าสัจจะแท้ไม่เปลี่ยนแปลงถึงจะมีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่มีผู้รู้ก็มีอยู่อย่างนั้นสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดมาถือศาสน า, าพาหม ก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่มีคนพูดก็พูดเรื่องการให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐ า, านจนพระองค์มาบําเพ็ญทางจิตได้รู้แจ้งหเห็นจริงท่านจึงประกาศว่าธรรมะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะคือพระนั่นเองพระจริงแปลผู้ปฏิเสฐพระไปว่าผ่อนก็นได้คือไปเทศของจริงพูดของจริงใครขนฝัน ไม่โกปกไม่หลอกลวงถ้าพูดของจริงให้คนฟังแล้วคนทุกคนต้องการของจริงแต่ของไม่จริงมาพูดปกติดมันก็เลยไม่รู้มันเป็นอย่างั้นที่หลวงพ่อพูดนี่เป็นสัจจะขั้นแรกเขาเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลเนี่ยพระโสดาบันบุคคลนั้นยังมีครอบครัวผัวเมียตามปกติในโลกจุเป็นสายมนุษย์เป็นเทวดา ไม่ไปตกนรกอีกแล้วในหน่วยอย่างนั้นสูงขึ้นไ ป, ปนกาา็เป็นพระจักกีธาคารเป็นพระอนาคารเป็นพระอราหารันต์เป็นอย่างนั้นพระอราหันต์ไม่ใช่นั่งอยู่นี่ไปเห็นตับไตใส้ตอดคนนั้นคนนี้อ น, นันพระอราหันต์นอกตัวผิดปกติเมื่อคนใดผิดปกติไปแล้วเขาเรียกว่าบ้าบ้านหองคลองคนใดมีปกตินั้นเขาเรียกว่าเป็นคนมีสติ การทําพูดคิดเป็นปกติก็เรียกว่ามีสติสามารถมองเห็นจิตใจตัวเองได้เนี่ยเป็นอย่างไรจิตใจนเนี่ยมันหลอกเราอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมันไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวเราจะไปมองแค่รูปกายภายนอกนี่ไม่ได้คนนั่นสวยคนนั่นรวยเนี่ยคนสวยคนรวยทุกก็มีนะคนไม่สวยไม่รวยไม่ทุกก็มีนะนั่นเป็นอย่างไร ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัญหาในเรื่องทุกเท่านั้นคนไม่มีทุกทําการทํางานตามหน้าที่งานก็ก้าวหน้าพระพุทธเจ้าท่านทําการทํางานตามหน้าที่จนหมดลมหายใจนี่อริยธรรมสอนคนท่านหม้าที่หน้าที่รู้ธรรมะแล้วไปอยู่คนเดียวอันนั้นมีแต่ว่ามันไม่ถูกต้องธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้นะรู้แล้วสงวนด้วยิคติสไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ได้ รู้แลวทำลายเสียไม่ได้มันไม่เป็นของใครเนี่ยเป็นของบุคคลผู้ที่รู้เท่านั้นเองใครรู้เป็นของคนนั้นเป็นสมบัติของคนนั้นจะหยิบยื้นให้กันไม่ได้เพื่อนฝูงจะหยิบยื้นให้กันไม่ได้พาอแม่จะหยิบยื้นให้กันไม่ได้ชี่อว่าเพียงแต่แนะนำวิธีการเท่านั้นทำให้รู้ไม่ได้เอ็งอยังไงบทนี้เมื่อพูดมาถึงตอนนี้ก็เลยจะมาพูดกันอีกพักหนึ่ง คำว่าสัจจะนี่นะตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาฟังอ่าจจะไม่เข้าใจตอนเ้าร์หลวงพ่อเลยจะไม่พูดเรื่องสมถะกรรมฐานตอนเสาร์าหลวงพ่อไปเดินจุบกลมเดินกลับไปกลับมามีตะขาบตัวหนึง่งมันกัดหลวงพ่อจะก่อนหลวงพ่อเลยจับเทียนไขาตามไป เรากลัวมันจะกัดเพราะนีตามไปไม่เห็นเลยลเพราะเอาเทียนขายมาใต้ไว้ที่เดิมแล้วพก็เดินกลับไปกลับมาตัวหลวงพ่อเนี่ยสะดุดไปเหมือนกับอะไรทั้งหมดล้มลงไปทั้งหมดเลยนี่จังหวะเรารู้จักควรศึกษาเรื่องนี้ให้ถูกต้องศึกษาให้เป็นไว้ติดเดียวนี้โยตตายเสียก่อนตายอย่างเมื่อบิดลมหายใจท่านว่อ ย, ย่างนั้น อันนี้ทุกคนต้องประสบจริงๆเรื่องนี้หนีไม่คนระยะทุกคนเนี่ยจะตายต้องเต็มเรื่องนี้ก่อนอย่างน้อยต้องสามนาทีหรือห้านาทีจึงจะหมดลมหายใจได้หลงพ่อประกันได้คําพูดคํานี้นั้นเราศึกษาให้มันรู้ไว้สิเดี๋ยวนี้มันจะไม่สบายหรือมันจะไม่ดีหรือเราศึกษาวิธีนี้เนี่ยมันง่ายๆที่สุดจริงว่าธรรมะที่มันเป็นแล้วมันมีอยู่แล้วเราไม่ศึกษาของจริง มันก็เลยไม่รู้ของจริงเท่านั้นเองทำมากมันเป็นอย่างไงคือมันหลุดจากกันเองเหมือนเราจะพูดยังไงเราเอาของอะไรวางไว้เราไปกดเนี่ยกดได้มันหลุดแต่คนเดียวมันมันหลุดคนเดียวในขณะที่มันหลุดนั้นหลวงพ่อเข้าใจว่าเมือ่อเหรานี่มันแดงแล้ว เ, เอามือไปแตะเข้าที่มันขาวทั้งหมดเลยเหมือนกับสำลีไม่มีน้ํานี่เองเป็นอย่างไง นื้ลวงพเปรียดให้คนฟังหลายคนเหมือนกับเสื้อไหนร่อนเราผูกไวสนน้ส้นนั้นส้นนี้ตึงๆเราไปตัดตรงกลางตัดตรงกลางแล้วดึงเข้าหากันไม่แม่ถึงเขากันยกเอ้ามาไว้อายตนะต า, าเห็นหูฟังเสียงย้าให้มันมีเห็นดีเห็นงามเสียงพ่อเสียงอันนั้นมาเป็นคําพูดแต่เมื่อเราถึงตัวเข้ากดธรรมชาติจริงๆเลยมันหลุดกันแล้วแต่นานแล้วแต่เราไม่รู้นี่จริงว่ะ เกิดไม่มีตายไม่มีแล้วควรศึกษาธรรมะอันนี้ทุกคนต้องประสบคนจนก็ต้องประสบคนรวยก็ต้องประสบเรื่องนี้ถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้คนนั่นจะอยู่ในวัด ต, ตะกวัดวัดตะกสงสารเงยยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำธรรมะเนื่อมันยู่งกล <c oughs> คนไม่รู้ทำนี่ว่าตายแล้วจึงเอาสวรรค์ ตายเรื่องที่อานิาพาเนี่ยวนะ่าอย่างไรกลางวันนานคำ้ำกลางคืนนานแจ้งสำหรับบุคคลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันนอนไม่หลับเด็กกลางคืนก็ปัญญาจะแจ้งมาเนอะนอนไม่หลับเนี่ยกลางวันก็ปัญญาจะค้ำเนาะเนี่ยมันเป็นอยังไงสำหรับทางยาวไกลสำหรับบุคคลผู้ที่ห้ามของหนักเมย์ลาปัญญาจะถึงเนาะเพราะไม่เข้าใจธรรมะนั่นเอง ความจริงแล้วทางระยะสองกิโลก็สองกิโลเท่าเดิม น, นี่1สิบกิโลก็สิบกิโลเท่าเดิมเนี่ยผ่านมันไม่ไกลมันอยู่ที่หน้าเราเองแต่เราไม่เข้าใจเท่านั้นเองที่หลวงพ่อมาแนะนำวิธีปฏิบัติให้แล้วก็แนะนำความเป็นแต่หลวงพ่อทำให้ไม่ได้เพียงแนะนำวิธีการความเป็นนั้นพวกคุณทำเอง เ, เ, เ, เห็นเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเมื่อเห็นเองเป็นเองเข้าใจเองแล้วจะไปเสื้อไข่คนยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะว่าคุณดีคนงามมีอยู่ในตัวคนทุกคนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นจึงว่าจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวเพราะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ใดๆเขาจะมา ส, น, สนับสนุนเดินยอก็ตามเขาจะมามินทาวา่าร้ายก็ตาม ก็เราอยู่ด้วยของเราเองเพราะเรามีอย่างนี้สมมติเรามีเงินสิบบาทนะเราจะไปยินดีเงินร้อยบาทของเขาเราจะได้มันมันไม่ได้เราต้องยินดีเงินสิบบาทของเราเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรารู้ธรรมะแบบนี้ได้จะไปดีใจกับเขาหาเหินเดินล้วงดำดินดินบนนับเม็ดเห็นเม็ดายในท้อมหาสมุทรทะเลอันนั้นก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราต้องมาแก้ปัญหาการขัดแยง้งภายในจิตใจของเราในเองไม่ให้ทุกเกิดขึ้นนี่อยู่ ก, กับใครก็ได้นี่นี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจรงรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมธรรมะจึงคือทุกคนนั่นเองไม่ผิดประจักษ์คนธรรมะคือชีลิตธรรมะแปลว่าสงวนนี่อันวา่าธรรมะเนี่ย ม, มันพูดยากนะ แต่ตัวสำคัญคือให้เราพยายามทำคมรู้สิกตัวมันคิดให้รู้แต่อย่าเข้าไปในความคิดมาทำคมรู้สกอันนี้เป็นสำนวนสั้นๆเพราะว่ า, าพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญมีลดทำให้แกล้งสี่ข้อพอแล้วทุกต้องกาหนดรู้มากาหนดการเคลื่อนไหวสมุทัยต้องละถ้าเราไปดูคมคิด ไปดูลมหายใจมันเข้าไปในควาคิดมันก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเป็นสังขารเนี่คืองวันว น, ว น, ว น, วนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวตัวความคิดมันถูกหยุดเราก็เลยรู้โอ้สมุทัยต้องละมันละแล้วมันมักต้องเจริญทําบ่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่โลดทําให้แก้งมันก็จะไปถึงที่สุดของทุกขเพราะเราได้กระแสแล้วได้ต้นทางแล้วเท่านั้นเองไม่มีเรื่องอะไรที่หลวงพ่อพูดนี่ลนึกกว่าทุกคนจําได้น เพราะว่าไม่พูดธรรมะมาให้พวกเราฟังวันนี้ก็นึกว่าพอสมควรเก่วเวลาแล้วเพราะว่าในขณะนี้ก็สิบสองโมงกับห้าสิบนาทีก็พูดมาอย่างไม่ถึงสิงโมงก็เห็นว่าพูดไปมากมันยาวจำไม่ได้เอาพูดแต่เนื้อหาสาระที่จะจับไปใช้กับชีวิตของเราตอนนี้นเอง ท้ายที่สุดนี้อาตมาพ้อมด้วยพักสง์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมยะยุนสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําำคำสั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระป่าสาวกพระธรรมสัมพุทเจ้ามาเตือนคิสะกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกัตเมื่ออย่างไม่รู้ก็ลุกลุกขาดสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตมีอวัยวะเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตแต่เป็นสาวกพุทธะแต่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเดียว่าพุทธานุพุทธังสามะศีลทิ่ถิ่นผู้ตัดปารู้ตามพระพุทธเจ้าจึ่มีศีลและทิฏฐิเสมอกันนข้อที่สี่ธนวัตสัตว์ทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจะนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคต น, น, น, คนี้อันนี้เป็นคำมั่นสัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ตัวอาตมาทำอย่างนี้ก็เลยรู้อย่างนี้ก็เลยนำนเรื่องนี้มาพูดมาสอนขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอา คือจิตใจสะอาดจิตใจสวา่างจิตใจสงบจิตใจปกติจิตใจพองใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในชีวิตนี้เมื่อเวลาอันใกล้นี่หลวงพ่อเทศแบอบกว่าธรรมะนะครับคาว่าธรรมะ น, นี่มันมีความหมายตัางหลายอย่างคำว่านาจิยะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะผมไม่เข้าใจคำว่าธรรมะ น, นี่นะมันมี ความขี้งแค้ไหวไหมครับอยาให้หลวงพ่อช่วยที่บ่าวที่มันโตไม่ได้วยครับธรรมะธรรมะไม้เหมือนกับใบไม้ในป่าพระ อ, องค์ท่านว่าความรู้ของพระ อ, องค์นั้นรู้มากเหมือนใบไม้ในป่าแต่จะเอามาเป็นยารักษาโลกให้หายเพียงกํามือเดียวเท่านั้นธรรมะมันจึงหนีมากใครพู้จูที่ไหนก็ธรรมะแต่ตัวสําคัญเอามาแก้ปัญหาการขัดแย้งภายในจิตใจ นี่คือธรรมะจริงๆคือพระพุทธเจ้าสามารถมองเห็นอะไรผิดอะไรควรเนี่ยเป็นอย่างนั้นสังคมมันต้องทำไม่ทำไม่ได้ควรทางานอันนี้สังคมเขาทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องทำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำกับสังคมมันก็เป็นการขัดแย้งขึ้นมามเป็นอย่างธรรมะจร่คือชีวิตอยาให้ชีวิตเป็นทุกข์นั่นคือธรรมะดังนั้นพระ สาวกทุกองตั้งแต่พระโสดาบันบุกคนทำงานไม่ทุก